นิทานบันเทิงเรื่อง ในรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตมีพระ เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตม้าสิงทภถือ ภาชนะที่ใส่อาหารเป็นโรงโอโถมม้ากินเป็นถาดทอง ทรงรับสั่งให้เอาผ้ากำพลสีแดง เมืองพาราณสีนั้นเป็นเมืองที่อุดม ที่จะมอมชั้นขอเสนอว่าพาราณสีได้ดี ให้พวกเราน่ะตั้งค่ายสร้างไว้แคว้นละ 1 ค่ายรวมเป็น 7 ค่ายด้วย พระราชาอีกขอพระองค์ทรงเห็นด้วย ตามธรรมเนียมโบราณของการออกศึกกับ พอยกทัพมาสู้รบกันหัวรุกรานก็อืมใช่เห็นด้วยอืมด้วยถ้า และแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็ได้รับพระราชสารฉบับ เราจะเอาอะไรไปสู้กับเค้าได้ฮะเขายกกันมาตั้ง พระองค์ไม่ต้องออกไปรบเองหลวงพะเจ้าค่ะแต่ขอ ก็ไม่ท่านคงจะมีความคิดที่ดีใจนะแต่เอาละท่าน ว่าไงนายสารทิตย์ท่านเต็มใจจะสมัครใจออก 7 เลย รับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะมอมชทูลหล่าเมื่อ ปานฟ้าแลบนายสารทิได้ แล้วบุกจู่โจมค่ายที่ 1 แลทัน และ 6 ตามนั้นๆแต่ แล้วแสดงท่าทีจะขี่ม้าตัว ไม่สามารถขอ 7 ให้โดยกล่าวว่าขี่ตนออกรบโดยกล่าวว่าม้าสิน มหามาสินทพพันแผลให้ 7 ก็ๆประตูพระราชวังพระเจ้าพรหมทัตเสด็จมาต้อน ขอขอได้โปรดพระราชทานแก่ ความเราจะจารึกไว้ตลอดไปของเวลามีชีวิตของตนเองนั้นตนเราจะจารึกๆ ลมแล้วในที่สุดใจเหลือรวย ฝ่ายพระราชาแสดงความจงรักพักดีแล้วปล่อยตัวไปนับแต่นั้นมาองค์ก็ทรง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า